ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีประทุมในวันนี้จะได้อาธิบายขยายความในประเด็นที่เจ็ดของสภาสวะสังวรสูตรพูดถึงอาสวะที่พึงละได้เพราะการอบรมธรรมะใต้ควรอบรมซึ่งทรงเน้นในที่นี้ก็คือ โคดชงทั้งเจ็ดประการอันเป็นองค์ธรรมที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรูธรรมซึ่งสังเกตว่าตั้งแต่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งไปชวนมาราวะต่างๆก็จะรวมกลุ่มกันสวดโคชชงเจ็ดประการ ซึงมีตำนานความเป็นมาว่าประยุน์ท่าเคยสวดถวายพระพุทธเจ้าตอนทรงประชวดก็ทำให้พระองค์หายจากการประชวดพระโมคคัลลานะกับประกัดสปะไม่ใช่พระโมคคัลลานะกับประกัดสปะ พาพดูเจ้าก็ทรงแสดงโคดชงเจ็ดประการให้ฟังตันก็หายป่วยแล้พลาดคนเราก็ถือเป็นพระสูตรที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอีกแนวหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นกันบงังค้างบางคราวไปเยี่ยมพระตามโรงพยาบาล เกิดก็สวดโคจกให้ฟังแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระมคคลานะพระอราหันต์นั้นแพระมคคัาลนะพระกัสสะนั้นท่านเป็นพระอราหันต์ก็หายได้ง่ายแต่ว่าพระพุทุชนก็ต้องพยายามสวดกันหน่อยอย่างน้อยที่ใจเราก็มีความสงบ แล้วถ้าน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในแต่ละข้อนี่มันก็จะยึดโยงถึงกันปันกุนก็ได้พูดถึงประเด็นของธรรมะวิจัยคือการวิจัยธรรมะที่โดยเนื้ออาสาระก็ประกอบด้วยอาดียมัคสองประการก็คือสมาธิิกับสมาสังกัปปะ สมาธิิแปลว่าปัญญาเห็นชอบโดยเนื้อหาสาระจริงๆคือปัญญาตีเห็นชอบในอริยสัจสีแล้วก็เห็นชอบโดยญาณด้วยนะมาความมาผลจากการเห็นชอบนั้นก็ทำให้ดับสัพกิเลสทั้งหลายออกไปจากใ จ, ใจิตใจนั่นก็คือนิยาระดับโลกกุตรัก แต่ว่าการพูดออกอากาศนั้นผู้ระดับโลกุตระมันก็ผู้ พ, พูดก็ยังไม่เข้าถึงแล้วผู้ฟังเองก็ไม่รู้่เป็นใครเพราะเราก็พูดระดับชิ้ธรรมจัญญาคือระดับโลกิยะไปก่อนแต่ก็อาศัยโครงสร้างเป็นที่ ของเนื้อหาของธรรมะในแต่ละข้อจะเห็นอเดสสีด้วยญาณข้อแรกก็เรียกว่าสัจญาณคือเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเห็นว่านี้คือทุกนี้คือเหตุเกิดแห่งทุกนี้คือความดับทุกนี้คือพ่อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุก และกิจยานคือเห็นถึงภารกิจที่ควรกระทาที่ถูกต้องต่ออรียสัตว์ทั้งสี่ประการนั้นเป็นว่าทุกนั้นก็กำหนดรู้ไว้เฉยๆสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วก็จะต้องเกิดกัตยานซึ่งก็โดยเนื้อหาสาระแล้วก็คืออาสวัคยา น, นั่นเอง เห็นว่าทุกที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วนี่เรียกว่าเห็นเต็มรูปเต็มยศแต่แน่นอนในฐานะที่เราเป็นสามัญชนเราก็ไต่บันไดไปเรื่อยๆอย่างการกำหนดรู้ทุกเนี่ย พยายามคิดในระดับที่เรียกว่าอภินหารปัจจวบัะเป็นฐานจิตไว้ก่อนคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายการคลกักๆเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตทุกชีวิตไม่มีใครจะผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้ถ้าเกิดมาในโลกนี้ลนะ นันก็สแสดงว่าถ้าเราคิดไปปล่อยเนี่ยจะทำให้เราไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคในขณะเดียวกันข้อที่ห้าเนี่ยก็ส่งสอนให้พิจารณาถึงกรรมตัวการทําการก็เกิดจากุศลกับอกุศลนะครับ ก, รรก็จะทำให้ ไม่ประมาทในการละชั่วประพฤติการละความเห็นผิดทำความเห็นในถูกต้องจนถึงพลังของสติปัญญาและความเพียรมีความแก่กล้าขึ้นมันก็จะมีการควบคุมจิตเวลาสัมผัสอารมณ์ื่อการเห็นรูป่างตาเป็นต้น ก็ระวังที่จิตของเรานะฮะอย่าให้จิตกําหนัดแม้อารมณ์จะมีการกระตุ้นให้เราเกิดความกําหนัดอย่าขัดเคืองในอารมณ์ที่กระตุ้นให้เราเกิดความขัดเคืองก็อย่าให้หลงในอารมณ์อันที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเพราะโลภโลกมันเป็นอย่างนั้นนะครับกระตุ้นความกําหนัดกระตุ้นความขัดเคือง กระตุ้นความรุ่มหลงกระตุ้นความหมัวเมองแต่คนที่ไม่ประมาทก็จะมีสติกํากับในการดําเนินชีวิตคืออยู่ยังมีสติพูดยังมีสติทําอย่างมีสติคิดยังมีสติไปไหนมาไหนคู่แขนเดียดแขนต่างๆเป็นต้นก็ทําอย่างมีสติก็ถ้าทําได้มันก็ บุสวนธรรมต่างๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจเวลาพระเจ้ารงแสดงก็แสดงไต่บันไดขึ้นไปนะไม่ใช่ว่านิ่งๆกระโจนฟรวดไปขึ้นยอดเลยเขาเรียกว่ามีการลาดลุ่มลุ่มไปโดยลำดับแล้วก็สูงขึ้นไปโดยลำดับํานองที่เป็นรูปธรรมก็คือแบบเราขึ้นบันไดอะ ขึ้นไปทีละขั้นนั่นแหละมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ขั้นบันไดสุดท้ายแต่เราก็ต้องพยายามเดินเพราะว่าการต่อสู้กันทางจิตเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาภูเขาคือโอกาสที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ มันมีน้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่ายุคใดก็ตามแม้แต่ยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประชน์อยู่ประหารทั้งหลายก็มีน้อยพระยทรงแสดงว่าอปากาเตมนุตเซสุเ ย, ยจนาปรังกามิโนอท้ายังอิตราปรชาธีระมวานนทาวจิคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งพระนิพพานได้คนส่วนใหญ่ก็ ทำได้แค่เลาะเลอฝั่งไปแต่เด็กทีนี้ในส่วนของสมุทยซึ่งควรละเนี่ยก็พยายามศึกษาหเห็นโทษของปัญหาทั้งสามประการเอาเห็นโทษที่เกิดขึ้นกับคนอื่นก็ได้แล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างเขา เช่นวัทศกันะใส่การมาตัญหาอย่างเดียวแล้วก็ไปหลงรักนางศีดาจนถึงเขาไปแย่งเข้ามาพายาติวงพ ง, งสายักษ์เนี่ยล้มตายจำนวนมหาศาลจนสิ้นวงยักษ์นะครับเพราะผู้หญิงคนเดียว นั้นแสดงว่าความรุนแรงของตัณหานี่มันมันยิ่งใหญ่มากๆถ้าไม่มีหลักจริงๆแล้วก็เปรอะหรือเพราะว่าตัณหาความต้องการเป็นแย่งชิงกันอันเช่นเจ้าอ้าพระยาเจ้ายี่พระยาเจ้าสามพระยาเนี่ยเราเห็นว่าเจ้าอ้าพระยาเจ้ายี่พระยาเนี่ยต้องการเป็นกษัตริย์ แล้วก็ไม่ยอมกันก็พี่คนโตกับพี่คนรองนะฮะไม่ยอมไม่ยอมกันแล้วก็ต่อสู้กันแล้วก็ตายตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายกาาษัตริย์องค์ต่อมา ก, ก็คือเจ้าสามพญาซึ่งไม่ได้สู้รบกันแต่ว่าในแง่ของทุ ก, กาาษัตริย์เจ้าสามพญาก็สิ้นประชนไปนเหมือนกันคือที่บ่งคดไปเหมือนกัน มันก็แสดงว่าอายากเป็นเนี่ ย, ยจนถึงก็ยื้อแย่งในที่สุดมันไม่มีใครได้ครอบแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเราจะยื้อแย่งหรือไม่ยื้อแย่งมันก็มีไม่มีใครได้ครอบครองอะไรสิ่งในระดับโลกียธรรมเราก็ครอบครองบุญกับบาปท่นั่นเองนอกนั้นเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลก ทีนี้นิโรธเนี่ยเราเห็นท่านที่สงบไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายคใครๆแน่นอนกิเลสท่านไม่หมดหรอกแต่กิเลสมันลดเอาขนาดว่าคนที่รักษาสีนห้าได้เนี่ยดูหน้าตาเขาก็แจมใสแ่มชื่นเบิกบานจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็ เป็นหลักเป็นฐานน่าเชื่อถือน่ารั่ฟังก็พยายามที่จะไต่ระดับขึ้นไปเอารักษาสีห้าให้ได้หรือว่าสีห้ามากไปเอาเมตตาให้ได้สักข้อหนึ่งเอาเมตตาจะทำยาเอาสติสักข้อหนึ่งอะไรเนี้ยนะถือหมายความว่ามันจะเกิดผลเป็นความสงบ เป็นความเยือกเย็นแล้วก็ปลอดเวณ้ปลอดภัยปลอดอันตรายแน่นอนเราไม่ถึงพระอริยะหรอกแต่ว่าก็ได้ชิมรสของของนิพพา น, อ, นอ่อนๆทีนี้อริยมักคแต่ละข้อเนี่ยดูเท่าไหร่มันก็ดีเท่านั้นเอง ดีจนเราไม่สามารถจะเข้าถึงสาระที่แท้จริงได้แม้แต่คำว่าปานาทิปาตาคำเดียวนะในข้อสมาสต ก, กับมันตร์คำเดียวแต่นั่นเองเราเข้าถึงได้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะงดเว้นจากการฆ่า มันต้องมองสัตว์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็ไม่ปรารถนาความมีเบญมีภัยกับกันแก่กันใดกันจนรดเว้นสัตว์ทุกชนิดไม่ใช่เองไม่ใช่คนอื่นฆ่ามายกย่องสรรเสริญคนฆ่า แล้ไม่พอใจยินดีกับสิ่งที่ได้มาจากการข้าถามว่าเข้าถึงหรือยังมันก็ไปได้นิดหน่อยแล้วนีนน่จนสามารถพัฒนาจิตไปเป็นเกิดทิริเกิดโอต ป, ปะเกิดความเมตตาอินดูต่อสรรพสัตว์ ไม่ตากรุณาแล้เอาเม่ตากรุณาต่อสรรสัตกแล้วจนถึงมีจิตมุ่งที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสัตว์ซึ่งก็เป็นอาการของกรุณาจิตมันจะอยู่กับกรุณาตานันเด็งคือมองสรรพชีวิตเป็นกรุณาด้วยการุณาตานันเด็งแน่นอนพระพุทธเจ้ามองอย่างนั้น เราเองถึงไม่ยอย่างนั้นก็ในแวดวงที่เราใกล้ชิดอะคือสามารถให้คุณในโทษแกเขาได้นี่ก็ให้มีจิตคิดอนุเคราะห์กะไรสักอย่เราคงไม่สามารถจะไปอนุเคราะห์คนถึงแอฟริกาถึงอเมริกาถึงอะไรต่ออะไรได้ครับก็อยู่ในแวดวงของเรา จริงๆชีวิตคนเรานั้นใกล้ชิดกับคนสักเท่าไรเอาสักสองร้อยนี่ก็หายากแล้วผู้จากคนหนึ่งสองร้อยเนี่ยหายากแล้วตอการที่เราจะให้คุณให้โทษเนี่ยก็อย่าให้โทษก็แล้วกันก็ให้คุดแต่สมบูรณ์เนี่ยคือกรุณาต่อสัพสัต ทีนี้ในสัมมาสังกปะคือความดำริชอบก็เป็นเรื่องของมีเหตุผลสติปัญญาเป็นเครื่องกากับจิตมองอารมณ์โลกทั้งหลายด้วยความเข้าใจถ่องแท้ว่าทาทีที่ถูกต้องนี่ควรจะเป็นยังไง จึงจะเกิดความสวัสดีแก่ตัวเองเป็นต้นนะหมายความมาเริ่มไม่เกิดความสวัสดีซะก่อนผลความคิดมัจะออกมาในรูปของพยายามถ่ายถอนความรู้สึกกำหนัดรักใคร่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีกับอารมณ์โลกจนมุ่งที่จะครอบครอง ถ้ามีความรู้สึกก็อย่าคิดครอบครอบมานลักการของความรักเนี่ยเราจะเห็นว่ามันถึงระดับหนึ่งเนี่ยเป็นความรักที่มุ่งเกื้อกูลก็ใกล้ๆกับพ่อแม่รักลูกเนี่ยรักมากทุ่มเทมากเสียสละมากแต่ก็มุ่งเกือกเกื้อกูลลูกให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป สุดยอดของท่านก็คือความสำเร็จของลูกแต่พอลูกประสบความสําเร็จท่านก็บุติตาละจนจนยินดีละหลายปีมาแล้วเคยพูดกับคนคุ้นเกิดคุ้นกันก็รู้จักกันไม่ถึงกับคุ้นหรอกคือมาจากบ้านเดียวกันแต่ก็มาได้รับการแนะนําไม่รู้จักกันที่นี่ ปรากฏว่าแ ก, กเป็นคนใจดีเป็นโสดนะแล้วก็งานที่แกทาที่จริงก็เงินเดือนไม่มากหรอกแต่ว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยของลูกหลานนี่ยั่วเยี่ยงไปหมดที่บ้า น, นก็เรียกว่าพอล้มลงนอนก็าหาที่เดินไม่ได้อะก็เห็นว่าเป็นการกระทาที่น่าสันเสรม แต่ว่ามันชักจะมากไปเพราะในสูตัวเองจะเดือดร้อนเลยก็บอกว่าให้เตรียมใจไปนะการช่วยคนเนี่ยมุ่งจะให้เกิดบุญอย่าคิดอย่าได้รับการทดแทนคุณจากคนที่เราช่วยเพราะว่าการหาคนกตัญญูในโลกเนี่ยมันยาก ให้ลูกหลานเขาเราไปเถอะเวนีวนแกก็เจอความจริงแล้วปรากฏว่าลูกหลานที่เลี้ยงมาตั้งแต่อนรุบาลสองสามคนเวนีมีฐานะดีแต่ว่าสิบกว่าปีมานี้ไม่เคยไปเยี่ยมเลยแกก็ต้องไปอาศัยเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ลูกหลานแต่ว่าก็ เ, าเอามาเลี้ยงมกัน แล้วก็มีคนไปเยี่ยมแกก็สั่งฝากมาว่ายัางคิดถึงถ้อยคำที่ท่านเจ้าคุณพูดว่าให้ทำเพื่อเอาบุญอย่าไปหวังการทดแทนคุณจาก บ, บุคคลเดล่านั้นคือหมายความว่าเป็นความรักที่ไม่ต้องการครอบครองไม่ต้องการได้แล้วเป็นสุขจากการให้ ทำมอย่างนั้นเราจะเดือดร้อนจากการทวงบุญทวงคุณแล้วก็จะเครียดดความบําลีเหล่านี้มันต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานบนความบังลีข้อที่สองจึงเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอภยาบาทวิตกการเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของความไม่พยยบาท แล้วในที่สุดเมื่อจิตมันพัฒนาเมตตาขึ้นมาไร้บ้าเมันจะออกมาเป็นกรุณาเวลาเขาประสบทุกประสบภัยประสบอันต ร, รายหรือประสบโรคเราก็จะเกิดความกรุณาคือสงสารต้องการที่จะช่วยต้องการที่จะเห็นเขาหลุดพ้นไปจากความทุกข์อันนี้เราจะเห็นว่า ระดับโลกุตระก็คือโลกุตระแต่ว่ามันเป็นธรรมะที่ปฏิบัติระดับโลกิยะได้แล้วก็ได้พอสมควรถ้ามีความตั้งใจหน่อยแล้วก็เป็นคุณภาพจิตนะฮะเป็นคุณภาพจิตเพราะอะไรเพราะว่าในครรมะวิตกเนี่ย เดชกรรมสังกปะมันจะไปทําหน้าที่สลายพวกกา ม, มาสวะอพยาปรารสังกปะก็จะทําหน้าที่ขยายอวิชชาสวะกับภาวาสวะวิญญาสาวิตรก็เหมือนกันวิงสาสังกปะนะฮะด้วยความดำริด้วยอํานาจต้องการไม่เบียดเบียนมันก็ไปจะสลายความเข้มข้นของพวกอวิชา กับภวะสวะแล้วการมสวะด้วยนั่นแหละนี่ก็คือธรรมะที่ระดับเรียกว่าพุทธส่งแต่ไม่เต็มที่แล้วนะไม่เต็มที่เป็นระดับศีลธรรมจัญญาผู้ระดับศีลธรรมจัญดาคือระดับที่เราปฏิบัติได้บางทีเราก็พูดไกลเกินไปสูงเกินไป คือธรรมะที่อธิบายแบบสูงสูงแบบอภิธรรมอะไรเนี่ยมันสอนกันในชั้นเรียนนี่ได้แต่ว่าพูดเป็นการทั่วไปเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกเหมือนอย่างที่โบราณท่านเตือนเอาไวน้นะยืย่นมณีมีค่าอาวานนอนดูซะ ก, ก่อ น, นจะจึงคิดปิดทองเปลวหมายความว่าการย้ายความเคารพนับถือใครเนี่ยมันก็ต้องดูซะ ก, ก่อน จะ้อะไรแก่ใครมันก็ต้องดูให้ดีซะ ก, ก่อนว่าเขาเห็นคุณค่าเขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งล่านี้หรือไม่ก็อย่างโบราณที่พูดผู้เรื่องไก่แจ้กับพลอยเรียนว่าก็แน่นอนแหละไก่แจ้มันมันไม่รู้จักเรากรพรอนมันคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าคนนั้นทะเลาะกันระหว่างพลอยกับ ขาเปลือกเนี่ยเขาก็ยินดีจะข้าเปลือกแรกแต่แก่แย่แกก็ยินดีที่จะเอาปล่อยไปแรกเพราะแกไม่ต้องการแต่ว่าเข้าเปลือกนี่แกต้องการบางทีเราก็สูญเสียเวลาไปเพราะว่าพูดสูงเกินไปอย่างกันเทศต่างๆเนี่ยอ่านแล้วมันเรียกว่าข้อประดูนิพานหมด เอาพื้นฐานได้ก่อนเหมือนสร้างตึกันแหละคือต้องลงเข็มต้องเทคานดินต้องทมีพื้นฐานได้ก่อนที่จะรองรับได้แล้วต่อไปถ้ามันแข็งแกร่งข้างล่างจริงๆจะสร้างตึกขึ้นไปอี ก, กี่ชั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่คงไม่มีปัญหาแล้วันทีเขาสร้างตึก ส, สูงๆไปร้ยร้อยชั้นเนี่ยเขาก็สร้างแต่ว่าฐานล่างมันแข็ง เพียงแต่คนไม่เห็นเข็มทันนั่นเองคันดินก็ไม่เห็นนะฮะคันดินก็ไม่เห็นแต่เห็นเฉพาะที่มันเสริมต่อขึ้นมาจากตรงนั้นธรรมปฏิบัติมันก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเป็นการเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับก็ต่อไปก็คือธรรมวิจัยธรรมไม่ใช่วิริยะสามโพชิ เรวองคธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัตยุธรรมคือวิริยะวิริยะนั้นจริงๆเนี่ยชื่อจริงๆก็เรียกวีระวิริยะวิริยะก็คือความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมัน่นที่จะฝ่าวันปัญหาอุปสรรคอันต ร, รายไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้ หกล้มกลุกยังไงก็ตามก็ต้องพยายามไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกหกล้มแล้วหกล้มอีกหกล้มก็ต้องลุกเองอเราหกล้มเองนะครับผิดหวังเราก็ผิดหวังเองเราก็แก้ไขตัวเราเองหรือตัวพระเราเองก็พยายามที่จะปฏิบัติแน่นอนทวนกระแสกิเลสทั้งนั้นแหละข้อแรกนั้นเรียก เต็มชี้เนี่ยวอินเสียสังวรเรียกโดยภาษาธรรมะชื่อธรรมะแต่ว่าชื่อที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะจเองเรียกยาวอันนี้ก็บาลีพุทธวจนะนั่นแหละแต่ว่าที่เรียกในพระสูตรจริงๆนี่เรียกยาวก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดทํานองอะไรล่ะ ทำนองคล้ายๆกับเรารู้ข่าวว่าจะเกิดโรคระบาดเนี่ยแต้เราไปหยุดโรคระบาดไม่ได้แต่เราป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคระบาดได้เราก็ใช้วิธีการป้องกันแต่เนียกบางทีโรคระบาดมันเข้าไปแล้วเราป้องกันไม่ได้เพราะมันมันเลยไปแล้วมันก็ต้องขจัด ประจัวยยาต่างๆทีนี้สิ่งที่เป็นการเสริมสร้างสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยมีเยอะที่เรายัางคล่องนะเอาข้อจริงเรามองระดับระดับศีห่านะระดับศีห่านี่เราเห็นว่าระดับตัวศีนห่าเองมันก็มีบกพร่องอยู่เยอะในสังคมเราพอระดับเบญจะธรรมยิงไปใหญ่เลย ความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขามันมีอยู่เยอะแม้แต่อะไรก็เรียกว่าอักษรวิ่งที่ทางโทรทัศน์ได้ดูรายการบางรายการที่เขาพูดกันสนทนากันคือประเด็นที่เขาพูดนันเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งแต่ว่ามีทั้งผู้สนับสนุนและก็ผู้คัดค้านในประเด็นนั้น อักษรก็ตีกันไปตีกันมาเพรเกือความคิดของเราเนี่ยอย่างแสดงความเป็นเราเป็นเขากันเยอะคือเขาพูดโดยหลักไงคนพูดเนี่ยก็พูดตามหลักแต่ว่าคนฟังนั้นใช้อารมณ์ในความรู้สึกส่วนตัวแสดงถึงความเป็นเราเป็นเขาที่ชัดเด็ดพรานการ วินิจัยตัดสินข้อมูลข่าวสารเวลานี้จึงเป็นเรื่องยากเพราะว่าอารมณ์มันเยอะแสดงอารมณ์มันเยอะไปประการต่อไปก็คือกุศลความดีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าให้รักษาความดีของตนไว้ดุดเกลือรักษาความเข็มน เราเคยมีใจเมตตาต่อคนทั้งหลายเราไม่เคยได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือว่าเราไม่เคยประพฤติตนสัสปชนในเรื่องเพศหรือว่าคบชู้สู่สาวสู่ชายทั้งหลาย ก็ต้องรยยามรักษาความดีเอาไว้เนี่ยจนกว่าจะสิ้นลมปราดแล้วก็พัฒนาต่อไปเพราะว่าความรู้สึกระดับนี้ยังสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าแรงกระแทกยังไม่เกิดถ้าว่าถูกยั่วยุยั่วยวนยุยนยแย่ขึ้นมา เคยสังเกตไว้หลักกากหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าที่น่าสังเกตรเราก็ต้องกัรทำลายผู้ใหญ่นะฮะสมมติว่าใครต้องการจะทำลายผู้ใหญ่เนะี่ยโดยยืมมือผู้ใหญ่ไปทำลายคนอีกคนหนึ่งถึงหมายความว่าถ้าผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่ก็เสียคนเช่นมาบอกถึงคนใกล้ชิดของท่าน ว่าเป็นมือเป็นเท้าให้แก่ท่านอย่างดีแหละคนเนี้ยแต่เราไปยิงเบนไปว่าคนเราเนี้ออกข้างนอกเนี่ยแอบดินทาท่านอย่างนั้นอย่างนี้ว่าท่านเป็นคนอย่างนั้ น, อ ย, น อ, อย่างนี้นี่ถ้าจคอยอย่างนั้นอย่างนี้อะเป็นคนมีความชั่วเยอะอะไรต่ออะไรต่างๆโกรธทันทีนะฮะโกรธทันทีเลยที่จะหยุดยับยั้งชั่งใจเนี่ยไม่มีทาง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ก้าวให้มันไปสูงกว่านั้นคือก้าวไปสู่เมตตาที่ลึกซึ้งแล้วก็ใกล้ไปทางการุณาเข้าไปสู่การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบจริงๆคือสมาชีบ เมีกว่าการแสวงหาการได้มาการถือครองการเก็บ อ, อมการแจกจ่ายการบริโภคใช้สอยการทำบุญอะไรต่างๆทุกขั้นตอนไม่มีปัญหาแล้วก็สำรวมระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศเขาเรียวกว่ากา ร, ร, รมาสํงวนคือสำรวมระวังในเรื่องเพศ จนดำรงคำสัตย์คำจริงพอยอมยอมเสียชีวิตแต่ไม่ยอมเสียสัตย์จนถึงก็มีสติจำกัดโอ้ยถ้าไปได้ถึงนี้แล้วธรรมะอีกมหาศาลนะ่าจะเกิดขึ้นเพราะนั้นความดีเนี่ยต้องพยายามรักษาไว้มันเป็นภูมิคุ้มกันจิต อย่าแกว่งบ่อยๆถ้าแกว่งบ่อยๆแล้วก็รษ า, าจิตไม่ได้นะคือแม้แต่บางทีเราไปคาดหมายว่าเออยังไงยังไงก็ตอนที่ก่อนจะดับจิตเนี่ยให้อาสัตรกกรมดีก็แล้วกันอาสัตรกกรมมันไม่มีพลังเสริมนะพลังเสริมที่เป็นกุศลเพราะเราไม่ได้เก็บสะสมไว้ จิตมันก็จะเทไปทางด้านของอกุศลแล้วจิตก็จะเศร้าหมองเราต้องรับผิดชอบตบอผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการไม่ใช้ปัจจุบันแต่ไปเสียนใจที่จะใช้อนาคตซึ่งไม่รู้ว่าความตายจะประคุเมื่อไรที่ไหนอย่างไรดังกล่าวดังนั้นถ้าเราทำได้แต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ย ในที่นี้ก็พูดเต็มยศเลยว่ามันมีระหว่างความดีกับความชั่วดังกล่าวความชั่วที่ยังไม่เกิดป้องกันความชั่วที่เกิดแล้วบำบัดความดีที่ยังไม่เกิดสร้างสรรพัฒนาขึ้นความดีที่เกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ใจไว้จะเพิ่มพูนดดวยความดีเพราะในแนวโพวุทธสุงเนี่ยเป็นแนวเพิ่มพูนความดี ปัญวิริยะในที่นี้มันก็เน้นหนักไปในทางที่จะเพิ่มกุศลขึ้นภายในจิตแล้วรักษากุศลไว้กุศลเหล่านั้นก็ทําหน้าที่สลายอากุศลเองแม้ในสอนวิธีอื่นมันก็กุศลก็ทําลายอากุศลเองจะเราไปทําลายไม่ได้เราเพราะเป็นเรื่องนามธรรมานามธรรมาตัวทําลายเท่าไร่ก็คือนามธรรมา นี้ข้อต่อไปเนี่ยถ้าสามข้อนี้สามข้อนี้ต้องนึกอีกทีนะึ่งนะว่าสามข้อนี้ที่จริงก็คือสติก็คือสติมาในมหาสติปัฏฐานนั่นเองแล้วธรรมวิจัยก็คือสัมปชานโนพรมสัมปชันะหรือสัมสัมปชัญญะนั่นเองแล้วก็วิริยาก็คืออัตาปะอัตาปีนั่นเอง อาตาปีสัมปชานุสติมาวินัยะโลเกพิจโดมณ ส, สังอันนี้คืออะไรอ่ะคือสัมมาสติสัมมาทิตจิสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมาวยามะเป็นส่วนของจิตสิกขากับปัญญาสิกขาไม่ได้พูดระดับของธรรมะคือไม่ใช่ระดับของศีลสิกขา เพราะว่าโดยในแง่ความจริงนะฮะคือถ้าจิตมันอยู่ระดับนั้นมันก็สีมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพระสีในลองสังเกตปฏิปทาของพระริยาสาวกทั้งหลายในอดีตนี่ท่านก็ไม่ได้สมาทานสีนะนั่งปักกัฟังเทศเลยอย่ากยกตัวอย่างพยาศานะจ๊ะพยาศาก็ดีหรือว่าพ่อพยาศาก็ดีหรือ ผูกพัฒวคีก็ดีเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่นักมวดนะคารวะก็มานั่งถึงก็ฟังเลยเพราะฟังเนี่ยมันกายก็ปกติวาจาก็ปกติใจก็ปกติมันก็เป็นศีลหมดแล้วอะต่อไปมันก็ที่จะเพิ่มปูนขึ้นก็คือระดับของสมาธิกับระดับปัญญา แล้วก็เมื่อพวกสองข้อนี้สมาธิกับปัญญาก็สมบูรณ์ศีนก็สมบูรณ์มาแต่มทนแล้วเพราะเขาเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันคือในภาคปฏิบัติเนี่ยเขามีด้วยกันถ้ามีนะฮะก็มีด้วยกันเพียงแต่ว่าปริมาณจะแตกต่างกัน แม้จะถึงพระโสดาบันเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีศีลสมาธิปัญญาด้วยกันเพียงแต่ว่าศีลท่านสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณคือไม่ถึงอรสมบุนทั้งก็ตายไปเรื่อยๆเจ็บจไปสมบูรณ์ที่โนและที่พระอรหันโนแหละทีนี้พอมารวมสามข้อนี้ต่อไปมันก็กลายเป็นสมาสมาธิ แต่ในสมาสมาที่เนี่ยทรงขยายไปสี่ข้อนะฮะทรงขยายไปสี่ข้อคือเกิดปิติความเอิบิมชื่นชมยินดีแส่ซ่านไปทั่วสรพางกายสาสรพางกายบางบางทีก็กระโดดตัวลอยได้อะไร ต, รต่างแล้วก็ปสัสสติในสุดมันก็จะสงบอาการเหล่านั้น ความมกายก็สงบปัญญาก็สงบสงบถึงใจสงบจริงๆก็คือกิเลสนะฮะสงบแล้วก็จิตก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิมันก็ไปสู่ความเป็นอุเบกขาคือใจจะมัธยัิเป็นกลางไม่หวั่นไหวไปกับมารุมที่ผ่านมากระทบการเหนียวนึกตรึกนึกถึงบาปอกุศล สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อรับสั่งมาถึงจุดนี้แล้วก็รับสั่งว่าภิกูุทั้งหลายก็ออสวะและความเล่าร้อนอันกระทาความคับแค้นเหล่าใดพึ่งเกิดขึ้นแก่พิกูุนนั้นผู้ไม่ได้อบรมสติสัมโพชฌงเปิดต้น อสาสวะและความเราร้อนอันกระทำความกับแทนเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ปิจษุนั้นผู้อบรมอยู่อย่างนี้ปิจูดทั้งหลายเราอาอสวะนี้เรากล่าวว่าพึงละได้เพราะการอบรมทีแรกก็มาสรุปสรุปข้อความเหมือนเหมือนตอนต้นนั่ย น, นะคือคือลักษณะการเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีอุเทศคือบทตั้งบทตั้งยกประเด็นขึ้นมา อันนี้คือเรียกว่าสภาสวะสังวรสูตรสภัสวะสังวรนะคือสูตรเนี่ยก็ใส่ขึ้นทีหลังหมายความว่าการละอาสวะทั้งปวงหลักการในการละอาสวะทั้งปวงก็ทรงขยายตั้งแต่ต้นว่ามันมีอยู่เจ็ดข้อ แต่เจข้อนั้นเราก็จะเห็นว่ามัน ก, ก็คืออริยมรรคทุกข้อนั่นแหละอยู่ในแบบทุกข้อแต่ว่าแยกออกไปเป็นมรรควิธีที่จะนำคนไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันจึงรับสั่งว่าลูกณรภิสูตท่างหลายเพราะเหตุว่าอาสวะเหล่าใดอันภิสูตจะพึงละได้เพราะการเห็นอาสวะเหล่านั้น เป็นอันภิกษุละได้แล้วเพราะการเห็นอาสวะเหล่าใดภิกษุพึงละได้เพราะการสงวนอาสวะเหล่านั้นอันภิกษุนั้นพึงละได้แล้วเพราะการสงวนแล้วก็มาเรื่อยมาจนมาครบข้อที่เจ็ดหละกระสั่งว่าอาสวะเหล่าใดอันภิกษุพึงละได้เพราะการอบรมอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วเพราะการอบรม พิสุจทั้งหลายพิสุจนนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสำรวมอสาาวะทัาปวงอยู่ตัดตถาทานได้แล้วยังสังโยตให้ไปปราไปแล้วแต่ทำพิสูจน์แต่งทุกข์เพราะจัจสรู้ด้วยการเห็นและการละมานะโดยชอบนี่เป็นการแสดงผลสูงสุดนะ บุปุดผลสูงสุดก็คือการละอาสะวะโดยชอบเดีอยวก็ทำได้เฉพาะพระโสดาบันเท่านั้นเองไม่ใช่ทำได้เฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นเองนี่ก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ใช้เวลาค่อนข้างยาวเพราะประเด็นมันเยอะแต่มีข้อที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งคือพระอาจารย์ที่ทำหน้าที่อธิบาย สูตรเนี่ยสุดๆในมันธยมนกาเนี่ยก็คือพระพุทธโสาจารย์พระพุทธโสดาจารย์นั้นเป็นพระคันธะรตจนาอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้รจนาคำพีพระพุทธศาสนาที่โด่งดังตลอดระยะเวลา2 0 0พันกว่าปีไม่ใช่ไม่ใช่องพันกีกว่าปีนประรัพอท่านทาเสร็จก็ประมาณทักปศหนึ่งพัน แล้วจนถึงบันนี้ก็ยังเด่นดังอยู่ยังพิมพ์กันไม่หยุดนะฮะก็คือคำพีเขาเรียกว่าประ ก, กรพิเศษชื่อวิสุทธิมัตเป็นการแสดงทางแห่งความบริสุทธิ์ก็ความเหล่านี้ก็ปรากฏปรากฏอยู่ในคำพีวิสุทธิมัตก็ท่านนำมาอธิบายขยายความที่ประเด็น คืออย่างน็นว่ามีบางประเด็นที่เราเราพูดไปไม่ถึงคือหมายความว่าแต่การจะเทศอะไรก็เวลาของก็ะทานั้นเนะี่แล้วคนเทศก็พยายามที่จะอธิบายขยายความไปตามลำดับจากง่ายไปหายากแต่ไม่ใช่ยากสุดคือไปยากจน ต้องพยายามต่อจึงจะถึงจุดหมายปราทางตรงนั้นทีนี้พระต่าอาจารย์ท่านก็เขียนต้องการอธิบายถึงเจตนารมจริงๆของพระพุทธเจา้าเพราะว่าอย่าลื ม, มามาสรุปที่การบรรลุมรรคผลเป็นพระหงังก็ละมานาได้มานะอุทจจะอวิชานะคือปุสังโยตอนปลายเนี่ยมานะ รู ป, ปราคะรู ป, ปราคะมานะอุทธะวิชาผมก็คิดว่าในครั้งต่อไปก็จะนำไปดูบางช่วงของอัตตกะถาตามในย่ที่พระพุทธกุศาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้มันก็ลึกซึ้งกว่าที่เราเล่าเรียนกันหรือว่าเอามาพูดกัน เ่านฟังทางหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี